บุกทูแปดสิบหกออกเกเซคำถามอาดีตการสองเดมันดอยอิสเทมโปดูคุณผูกเน็คไทเส้นไหนคุณคราบัตอนดิสุรฮาวิส คุณซื้อรถคันไหนแล้วคุอนวีอเชติสคุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหนคุกาเซตนวีอนิสคุณได้เห็นใครคุีีดิสคุณได้พบใครคุีเรนคอนิส คุณได้เจอใครที่รู้จัก m v i o n i s คุณตื่นนอนกี่โมง m v l i t i g e s คุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ m v i c o m e n i s คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ Quiam vfinis ทำไมคุณถึงตื่นนอนทำไมคุณถึงเป็นครูทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่คุณมาจากไหน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 I'll kill e r e s p on this.